ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะตัพพระปุพพสิกขาและปุพพศสิกขาวันน า, นาพระอมาราภิรักิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นสังคารัตนกถาแต่นี้จะพรนานาสังคารัตน์ถามว่า อะไรเป็นสงสงจะมีสกี่อย่างสังฆานั้นแปลว่าอะไรแก่ว่ามูบุคคลผู้ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วแลตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าชื่อว่าสงในที่นี้ที่เรียกว่าสงนั้นมีสองอย่างคือส ม, มุติสงและอริยสงภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนั่งในภายในสีมา ไม่ละหัตถบาทกันมีอำนาจให้สำเร็จสังฆกรรมนั้นๆมีอุปโสถเป็นต้นได้ชื่อว่าสมมติสง์แปลว่าสง์โดยสมมุติหมู่สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นอริยสาวกชื่อว่าอริยสง์แปลว่าหมู่แห่งพระอริยเจ้าหรือหมู่ที่เป็นพระอริยเจ้าจะกล่าวด้วยสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนสาวก แปลว่าคนผู้ฟังคำสอนแห่งพระผู้มีพระภาคก็แลคนผู้ฟังคำสอนซึ่งชื่อว่าสาวกนั้นมีสองอย่างคือปุตุชนสาวกกับอริยะสาวกบุคคลจําพวกใดได้ฟังโอว่าแต่เฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือฟังแต่สํานักสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็าดีไม่ได้ความตัดรู้มัดผลทมามวิเศษสิงใด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 มักผลในขณะเมื่อฟังก็ดีหรือปฏิบัติตามคำสอนแล้วแลได้ในภายหลังก็ดีเหล่านี้ชื่อว่าอาริยะสาวกแปลว่าสาวกผู้ไปจาก่าศึกคือกิเลสในที่นี้ไม่ประสงค์ปุถุชนสาวกประสงค์แต่อริยะสาวกจำพวกเดียวก็แลอริยสาวกนั้นจัดเป็นคู่ได้สี่คู่คือโสตาปฏิมักคัตถะ โสตาปาติภรัตตคู่หนึ่งสกิทาคามิมักคัตะสกิทาคามิภรัตตคู่หนึ่งอนาคามิมักคัตะอนาคามิภรัตตคู่หนึ่งอรหัตมักคัตะอรหัตภรัตคัตคู่หนึ่งคัตตคัตต์นี่ก็หมายถึงตั้งอยู่นะโสดาปาติมักคัตต์ก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปาติมักโสตาปาติภรัต ทก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในตัดาปฏิพันธ์ต่อมาถึงอรหัตตมัคคัฏถะก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในอ ร, ร, อรหัตมัคอรหตภรัตถะก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในอรหัตผลเรียงเป็นตัวบุคคลเป็นแปดก็แลชื่อพระอริยเจ้ามีคือชื่อว่าโสดาบันสกิทาคามีหรือว่าสกัตตาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์สี่ชื่อนี้ อาศัยท่านผู้ตั้งอยู่แล้วในผลกล่าวโดยคุณคือมะละกิเลสนั้นๆด้วยมักนั้นๆั้นแล้แแลตั้งอยู่ในผลกระโสดาบันมะละสังโยชน์สามได้คือสกายาทิฏฐิวิชิกิชาสีละพตปรามาตดังกล่าวแล้วในโสดาปติมักกับมะละกามราคะพยาบาทส่วนที่ยาบซึ่งจะให้เกิดทุจริตสามเป็นอปายะคามิก็คือ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 ขณะเมื่อท่านถึงโสดาปฏิผลชื่อว่าโสตาปฏิพลัต t h แปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอันหนึ่งชื่อว่าโสดาบันแปลว่าท่านผู้แรกถึงกระแสะแห่งพระนิพพานคือมรรคเพราะโสดาบันมีสามจงพวกก็คือเอกพีชีมีพืชคือพบอันเดียวเพราะจะต้องเกิดในมนุษยยโลกหรือเทวโลกอีกครั้งเดียวแล้วกระทาให้แจ้งอรัตผลสิ้นพบหน้าจำพวกหนึ่ง ชื่อว่าโกลังโกระคือเกิดอีกสองภพหรือสามภพกระทําให้แจ้งพระอรัตผลจำพวกหนึ่งชื่อตัตตถตุงประมะคือยังท่องเที่ยวอยู่ในมนุษยโลกและเทวโลกอีกเจ็ดครั้งเจ็ดชาเป็นอย่างยิ่งไม่ถึงชาติที่แปดคงจะทําให้แจ้งอรัตผลด้วยขันธปริกนิธานในภพที่เจ็ดเป็นแท้จำพวกหนึ่งเป็นสามจพวกชนี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 ขณะเมื่อท่านถึงสกิทาคามิผลแล้วท่านชื่อว่าสกิทาคามิพัลธาแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในสกิทาคามิผลหรืออันหนึ่งชื่อว่าสกิทาคามีแปลว่าท่านผู้มายังกามาพบนี้อีกคราวเดียวสกิทาชามีหรือว่าสกะทาคามีก็ได้พระอนาคามีท่านย่อมมรลสังโยชน์สองคือการมราคะพยาบาทได้ ดับขันแล้วท่านย่อมไปบังเกิดในสุทาว่ากลมมรรคทั้งห้าแห่งใดแห่งหนึ่งนี่หมายถึงต้องได้ฌานห้าด้วยนะโดยปัญจกไนหรือว่าฌานสี่โดยเจตุธนไนถ้าไม่ได้ฌานสี่ฌานห้าโดยเจตุธนไนหรือปัญจกไนนี้ได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามก็จะไม่ไปบังเกิดในสุทาว่าอันนี้ท่านกลับขั้นสูงแล้วดับขันท้าปรินิพพานในสุทาวาานั้นมีอันไม่กลับจากกลมมรรคนั้นเป็นธรรมดาก็แลขณะเมื่อท่านถึงอนาคามิมัก ท่านชื่อว่าอนาคามิมักคัตทะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมักขณะเมื่อท่านถึงอนาคามิผลท่านชื่อว่าอนาคามิผลทะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลหรืออหนึ่งท่านชื่อว่าอนาคามีแปลว่าท่านผู้ไม่มายังกามาพบนี้อีกพระอนาคามีนั้นมีห้าจำพวกชื่อว่าอันตระปรินิพพายีผู้ดับในระหว่าง คือว่าเกิดขึ้นในสุธาวาเทมโลกแล้วและยังไม่ทันถึงท่ามกลางอายุท่านย่อมยังอารัตธรให้บังเกิดขึ้นเพื่อมละสังโยชน์เบื้องบนได้จำพวกหนึ่งชื่อว่าอุปหั จ, จปรินิพพายีท่านผู้เข้าจดแล้วและดับคือว่าท่านเกินท่ามกลางอายุขึ้นไปจนการอายุจะสิน้นยังอารัตมัรให้บังเกิดขึ้นเพื่อมละสังโยชน์เบื้องบนห้าได้จาพวกหนึ่งพวกนี้ก็ ต้องเลยท้าการอายุขึ้นไปแล้วจะไปเกิดในอวิหาอาตตปาสุทัศสาสุทัศสีก็แล้วแต่แต่ว่าต้องเลยกึ่งอายุขึ้นไปแล้วถึงจะทําให้แจ้งอรัตผลเรียกว่าปุปะทัจปริณิพายีท่านผู้ที่เข้าจดเกินครึ่งอายุไปแล้วชื่อว่าอาสังขาระปริณิพายีผู้ดับด้วยอสังขารคือว่าท่านยังอรัตมัตให้บังเกิดขึ้นเพื่อมละสังโยชน้าเบื้องบนด้วยไม่ยาก ไม่ต้องประกอบความเพียรอย่งใหญ่จำพวกหนึง่งชื่อว่าสาสังขาระปรินิพพายีผู้ดับด้วยสาสังขารคือว่าท่านยังอรหธรรมะให้บังเกิดขึ้นด้วยยาต้องประกอบประโยชะยิ่งใหญ่จำพวกหนึง่งชื่อว่าอุทธังโสโตโอตะนิทะคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่พบชื่อว่าอากะนิทะคือจุติจากอวิหะพรมมโลกแล้ว ก็ไปยังอาตาปะพรหมโลกแล้วก็จุติจากอาตาปะพรหมโลกแล้วไปยังสุทัศส ร, ระพรหมโลกจุติจากสุทัศสะพรหมโลกแล้วไปยังอากนิสสะพรหมโลกยังอรหัตมักให้เกิดขึ้นมละสังโยชน์เบื้องบนในพรหมโลกนั้นจำพวกหนึง่งเป็นห้าจพวกดังนี้พระอรหันย่อมมละสังโยชน์เบื้องบนห้าได้คือรูปราคะอารูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชา ซึ่งเป็นกิเลสละเอียดสิ้นพบในเบื้องหน้าดับขันแล้วปริณิพานก็แลขณะเมื่อท่านถึงอารัฐมรรมท่านชื่อว่าอารหัตธรรคคัตถะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอารัตมรรมขณะเมื่อท่านถึงอารัฐผลท่านชื่อว่าอารหัตตะพัลถะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอารัตผลหรืออันหนึ่งชื่อว่าอะรหันแปลว่าท่านผู้ควรผู้ไกลกิเลส พระอาหารหันต์นั้นโดยคุณนามที่ปรากฏอยู่มีสี่จำพวกคือสุขะวิปัสสโกท่านผู้มีวิปัสนาอันแห้งเพราะไม่มียางคือสมถภาวนาได้เจริญวิปัสนาอย่างเดียวบรรลุพระอาหารหันต์ไม่ประกอบด้วยฤทธิ์วิเศษสิ่งใดจำพวกหนึ่งอันนี้ก็แนวทาบางที่แสดงว่าผู้ที่ได้ฌานออกจากฌานแล้วก็จเริววิปัสนาเอาปัจินตะทำอย่างอื่นเป็นอารมณ์ดูว่า ไม่ได้พิจารณาองค์ฌานที่บรร ล, ลุเวลาที่บรร ล, ลุก็ไม่ได้บรร ล, ลุพร้อมกับฌานอย่างนี้ก็เรียกว่าสุขวิปัสสกะเหมือนกันแม้ว่าจะเจริญฌานมาแต่ว่าเวลาบรร ล, ลุไม่ได้บรร ล, ลุพร้อมฌานก็เรียกว่าเป็นสุขาวิปัสสโกเหมือนกันชื่อว่าเตวิชโชท่านผู้ประกอบด้วยวิชาสามจำพวกหนึง่งชื่อว่าชรพินโยท่านผู้ประกอบด้วยอภิญญาหกําพวกหนึง่ง ชื่อว่าปฏิสัมพิธาปัตโตท่านพู้ถึงปฏิสัมพิธาทั้งสี่จำพวกหนึ่งเป็นสี่จำพวกดังนี้ประเภทสี่นี้ย่อมได้ในพระอริยเจ้าเบื้องต่ําด้วยโดยปริยายหมู่แห่งพระอริยเจ้าซึ่งเป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภุทเจ้าดังกล่าวมานี้แลชื่อว่าอาริยสง์ในที่นี้จึงได้สมกับบาลีว่าภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังโคนั้นแปลว่าหมู่หรือว่าเบียดกันคือว่าพระอริยเจ้าเหล่านั้นแม้อยู่ไกลกันคนละประเทศคนละพิภพต่างกันโดยชาติและเพศก็ชื่อว่าเป็นหมู่อันหนึง่งชื่อว่าเบียดกันด้วยคุณคือศีลและทิฏฐิความเห็นเสมอกันเหมือนอย่างคําว่ามิฆะสังโคแปลว่าหมูเนื้อสกุลสังโคแปลว่าหมูนก โดยโวหารโลกที่กล่าวกันอยู่อย่างนี้อาศัยชาติและอวัยุวสันฐานร่างกายที่คล้ายกันเหมือนกันเป็นหมวดหมวดหมู่หมูสัญจรอยู่บนแผ่นดินก็ดีบนอากาศก็ดีโวหารโลกกล่าวกันว่าหมู่เนื้อหมูนกเพระสัตว์เหล่านั้นเหมือนกันคล้ายกันอยู่ใกล้กันก็แลพระอริยเจ้าอยู่ตายสถานกันก็ดีแต่คุณคือศีลและทิฏฐินั้นเหมือนกันใกล้กันเบียดกัน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 ลำดับนี้จะแปลและอธิบายในบาลีว่าสุปฏิปันโนเป็นต้นเพื่อจะให้สาธุชนรู้คุณแห่งพระสงฆ์อันเป็นอนุสติฐานที่ตั้งแห่งการเลือกเนืองเนืองพระคัโตสาวกสังโฆพระสงฆ์เป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภากเจ้าหรือแปลว่ามูสงแห่งพระผู้มีพระภากเจ้าสุปฏิปันโนเป็นคนปฏิบัติแล้วดี คือว่าเป็นผู้ดําเนินไปสู่สัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบอนิวัติปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่หวนกลับอนุโลภปฏิปทาข้อปฏิบัติที่คล้อยตามอริยมรรคล้อยตามพระนิพพานอปัจจนิกาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกแก่พระนิพพานและธรรมานุธรรมะปฏิปทาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ธรรมมักประกอบด้วยองแตกที่ตรงเาะด้วยขันธ์สามคือ ศีลสมาธิปัญญานี้แหลชื่อว่าสัมมาปฏิปทาเพราะเป็นความปฏิบัติชอบแท้ไม่วิปลาสชื่อว่าอนิวัติปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่หวนกลับเพราะผู้ใดดำเนินถึงแล้วผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกชื่อว่าอนุโลปฏิปทาเพราะปฏิบัติเป็นอนุโลมแก่พระนิพพานชื่อว่าอปัจนิกาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกแก่พระนิพพาน และคนผู้ปฏิบัติชื่อว่าธรรมานุธรรมะปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นธรรมตามแก่ธรรมคือสมควรแก่ธรรมสมควรแก่พระนิพพานพระสงฆ์เป็นผู้ดำเนินตามสัมมาปฏิปทาอันประกอบด้วยคุณดังกล่าวมานี้แลจึงชื่อว่าสุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติแล้วดีพระควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์เป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอุชุ ป, ปฏิปันโน เป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันตรงสัมมาปฏิปทาดังกล่าวแล้วนั่นแหละชื่อว่าอุชุปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติอันตรงไม่คดไม่โกงไม่งอเป็นทางตรงต่อพระนิพพานพระสงเดินตามสัมมาปฏิปทานั้นจึงชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันตรงพระคัโตสาวกัสังโขพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า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 พระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันชอบแท้สามมาปฏิบัติธรข้อปฏิบัติชอบนั้นแหล่ชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโเพราะเป็นข้อปฏิบัติอันชอบแท้สมควรแก่พระนิพพานพระสงฆ์ผู้ดำเนินตามข้อปฏิบัตินั้นจึงชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันชอบแท้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 สีระสังวรอินระยัสังวโรโภชเนมัตัญยุตาและชากริยานุโยกอันนี้ชื่อว่าอปันนกะปฏิปทาชื่อว่าอุชุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงเพราะเป็นผู้ไม่เข้าไปใกล้ซึ่งส่วนอันลามกสองอย่างคือการมัตุคัลิกานุโยคและอัตติเรมาานุโย ก, ก, โยกซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันผิดท่านดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นท่ามกลาง อันหนึ่งชื่อว่าอุชวปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะมรณะเสียซึ่งโทษคือความโกงกายโกงวาจาโกงใจพระสอ์ชื่อว่าญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำอันบุคคลพึงรู้เพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานเป็นทำอันบุคคลพึงรู้ชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบแท้เพราะว่าบุคคลทั้งหลายปฏิบัติอย่างไร จึงเป็นผู้ควรสามีจิก ร, รมมีอภิวาสกราบว่าเป็นต้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นอันหนึ่งพระสงฆ์ชื่อว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นคือท่านกระทําศีลประหนึ่งว่ารัวและกำแพงกั้นค่าศึกคือทุจริตสังิเลศซึ่งเป็นอกุศลอัน ญ, ญาบอันเกิดในกายทวารวจีทวารและท่านทาสมาธิเป็นดุจแผ่นสีลาอันใหญ่ปิดไว้ซึ่งฆ่าศึกในภายใน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 ย่างตามเป็นพระสวดบัลบุคคลสิ้นสกายติฐิด้วยเห็นชัดว่าปัญจขันธ์ใช่ตัวใช่ ต, ชตนสิ้นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงในการทั้งสาในรัตนะทั้งสามด้วยเห็นคุณแห่งพระพุทธเจ้าชัดและโลกุตรธรรมก็บังเกิดปรากฏในสันดานจนท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์สิ้นศีลพตปราหมาด้วยเห็นชัดว่าตนบริสุทธิ์ด้วยไตรปิกขาซึ่งเป็นสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบ ไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลวัดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอย่างอื่นพระสงฆ์ชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงนั้นคือท่านปฏิบัติตรงพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะละได้ซึ่งความโกงด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชื่อว่าญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะออกคือท่านไม่ปฏิบัติเพื่อลาภและยศความสรรเสริญในปัจจุบัน และสวรรคสุคติพบทีสวยสุขนั้นๆในเบื้องหน้าท่านปฏิบัติเพื่อจะออกจากภพทั้งปวงจากทุกทั้งปวงฝ่ายเดียวต่าสงชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติชอบแท้คือว่าท่านปฏิบัติดัดกายวาจาใจด้วยไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาซึ่งเป็นสัมมาปฏิปทาความปฏิบัติชอบแท้ควรแท้แก่โลกุตรธรรมยดีดังอะไรนี้ จตาริปุริษยุคานิคู่แห่งบุรุษทั้งหลายสี่อัถฐปุริษากุคลาบุคคลผู้บุรุษทั้งหลายแต่คือว่าจัดเป็นคู่สี่คู่เรียงเป็นตัวบุคคลแปดบุคคลเอสาพระคาวโตสาวกัส ส, สังโฆนั่นแหลชื่อว่าพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนโยท่านเป็นผู้ควรซึ่งอาหุนะของคำนับ อาหุณะนั้นแปลว่าของอันบุคคลจะพึงนำมาแม้แต่ที่ไกลแล้วและถวายในบุคคลทั้งหลายผู้มีศีลคือปัจจัยทั้งสี่นั้นเองใช่อื่นถ้าสงเป็นผู้ควรจะรับซึ่งอาหุณะของคำนับนั้นเพราะท่านกระทำการคำนับแห่งทายกนั้นให้มีผลอันให ญ, ญ่ ย, ยิ่งได้ด้วยคุณแห่งตนเพราะเหตุนั้นท่านจึงชื่อว่าอาหุนโยผู้ควรซึ่งของคานับ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 แล้วแลถวายแก่พระสงฆ์อย่างเดียวพระสงฆ์จะพวกเดียวควรจะรับซึ่งของต้อนรับนั้นเพราะคนผู้มาแผกอื่นซึ่งจำเสมอเหมือนด้วยพระสงฆ์นั้นไม่มีด้วยว่าพระสงฆ์เป็นคนมาแผกย่อมปรากฏมีในการเป็นพุทธันดรหนึ่งไม่มีในการทั้งปวงและท่านย่อมประกอบด้วยธรรมอันกระทาซึ่งความเป็นผู้น่ารักน่าเจริญใจมีศิลคุณเป็นต้นอันไม่เกลื่อนกลนขาดลง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 พระสงค์ท่านย่อมควรซึ่งทักศนานั้นอันหนึ่งท่านย่อมเกิดกูลแต่ทักศนทานานั้นคือว่าท่านย่อมชำระทัศนท า, านของทายกให้บริสุทธิ์ได้ด้วยกระทําทักศนทานนั้นให้มีผลอันใหญ่ยิ่งเพราะเหตุดังนี้จึงชื่อว่าทักขิเนโยเป็นผู้ควรซึ่งทักศนาอัญชริกรณีโยท่านเป็นผู้ควรซึ่งทําอัญเชริกรรม กระพุ่มือที่โลกทั้งปวงตั้งลงซึ่งหัดทั้งสองเหนือเศียรกระทำเพราะแม้อย่างต่ำสัตว์โลกแลดูพระสงฆ์ด้วยจักรสุประกอบด้วยเมตตาเท่านั้นจักรุนั้นย่อมจะปราศจากโทษมีต้อเป็นต้นในอเนกชาติหลายภพหลายชาติถ้ามองดูพระพิสุสงฆ์ด้วยจกักรสุอันเป็นที่รักจะไม่ทำให้เกิดเป็นตาต้อตาเลตาเอียงตาเขตาบอดต่างๆหลายภพหลายชาติเลยทีเดียว อนุตตรังปุญยขเขตตังโลกัสสะพระสมงเป็นนาเป็นไร่ที่งอกบุญที่หวานพืชคือกุศลแห่งสั ต, รตรว์โลกทั้งปวงไม่มีเขตอื่นยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนเหมือนอย่างว่าที่งอกที่หวานพืชข้าวสาลีข้าวเหนียวแห่งกระสัรหรืออมัดโลกย่อมเรียกว่านาข้าวสาลีนาข้าวเหนียวแห่งกริย์และอมัดชั้นใดก็ดี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 และทานการบูชาแห่งโลกดังนาอันบริสุทธิ์ปราศจากโทษคือย่าและแลงกรวดทายซึ่งเป็นของปทุตรายแก่ข้าวกลา้าก็แลคุณแห่งพระสงฆ์ซึ่งได้ในบทบาลีเหล่านี้ว่าโดยย่อตัดสั้นก็สองเท่านั้นคืออตติหิตะคุณเกื้อกูลแก่ตนเองอย่างหนึ่งปราหิตะคุณเกื้อกูลแก่ผู้อื่นอย่างหนึ่ง คุณเกือ้อกูลแก่ตนเองได้ในบทว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนดังนี้ส่วนคุณเกือ้อกูลแก่ผู้อื่นนั้นได้ในบทอันเสดตั้งแต่อหุนโยปาหุนโยนักที่นโยอัญชริกรณนโยอนุตรังคุญยะเกตังโลกาสะ ก็แลผู้รำพึงถึงคุณแห่งพระธรรมพระสงฆ์จะรำพึงตามบททุกๆบทก็ได้หรือจะรำพึงตั้งแต่บทใดบทหนึ่งบทเดียวสองบทก็ได้แต่ให้รู้อา ธ, าธิบายให้ชัดอย่าถือเอาแต่พยัญชนะมา บ, นบ่นด้วยวาจาทำดังนี้ไม่สำเร็จประโยชน์อันใดสามคาตนะตาถาจบก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาคุณของพระสงฆ์ทั้งหลาย มีภาษารีบุตรพระโมคคารณะพระมหากสรสปะพระอนุนเป็นต้นเป็นน้อมนึกมนุษย์การใส่ใจพิจารณาทำให้เกิดปีติประโมดแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะจะเพื่อปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้เป็นจุปฏิปันโนสักวันหนึ่งขวัญท่านทั้งหลายได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วก็เป็นสาวกของสมาสามาสัมบริจ้าในการไม่เนื่นช้านี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ